มาถึงวันนี้แล้วรู้สึกเปล่าว่าการภาวนาจริงๆไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ากว่าจะตื่นขึ้นมาได้สักคนหนึ่งนะลําบากมากเลยมันตื่นขึ้นมาแล้วกว่าจะแยกขันได้เห็นธาตุเห็นขันเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวแยกออกจากกันก็ยากมากในพวกเราเวลาเนี้ยจํานวนมากเลย เราสามารถแยกได้แล้วอย่างเราเห็นว่าร่างกายกับใจเป็นโคล่านกันเราเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์กับใจกับร่างกายเป็นโคล่านกันเราเห็นว่าความจําได้ความหมายรู้กับใจเป็นโคล่านเราเห็นความปรุงดีปรุงชั่วกับใจเป็นโคล่านกันเมื่อเราสามารถเห็นสภาวะธรรมได้แล้ว สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมจะสอนธรรมะเราอย่างก่อนหลวงพ่อจะเทศเนี่ยอดีตท่านรองกิการส่งกันบ้านขอส่งกันบ้านเราให้ฟังก็น่าฟังคือแยกแยกธาตุได้ธาตุดินอยู่ส่วนหนึ่งธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมวิญญาณธาตุธาตุรู้มันแยกออกจากกัน เราเห็นว่าธาตุทั้งหลายมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราการที่เราจะเรียนจทังเราสามารถเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนะเป็นตัวของมันเองไม่ใช่ตัวเราเป็นสภาวะทั้งหลายมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เราจะทำวิปัสสนากรรมฐาน การที่เราเห็นสภาวธรรมแต่ละตัวแสดงใจลักนั่นแหละคือวิปัสนากรรมฐานวิปัสนาการเห็นนะัควิปัสนาการเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงว่ารูปธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมะอย่างนี้แต่ก่อนไม่มีการแสดงกัน เป็นความรู้ที่อยู่ในแวดวงนักปฏิบัติจานวนไม่มากส่วนใหญ่ไม่ได้สอนให้ฆราวาสฟังฆราวาสเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านประเมินเอาไว้ว่าสอนให้แค่ทำทานถือศีลโควิเศษวิโสนักหนาแล้วล่ะย่งมาสอนสมาธิสูงๆนะก็ทำไม่ได้จริงพอสมาธิทำไม่ได้จะไปเจริญปัญญาได้ยังไง นี่หลวงพ่อก็ไม่ได้เชื่อท่านหรอกหลวงพ่อทำมาเานั้นแต่เป็นฆราวาสรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าฆราวาสเคยได้ยินได้ฟังธรรมะนะแห่งการปฏิบัติอย่างแทจ้จริงฆราวาสก็พอที่จะปฏิบัติได้ถ้าเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับตัวเองครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านคุ้นเคยกับการปฏิบัติแบบใช้สมาธินําปัญญา นั้นท่านก็มองว่าคารวะ ท, ทำสมาธิไม่ได้งั้นมันไม่มีโอกาสหรอกที่จะเจริญปัญญาแต่หลวงพ่อไม่ได้มองอย่างนั้นหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อเป็นคร า, าราวะา ท, ท่านสอนวิธีเจริญปัญญาคือการดูจิตใจตัวเองเห็นจิตนะเกิดดับเกิดดับไปไม่ได้ใช้การเข้าฌานก่อนแล้วก็สมาธิมันค่อยๆดีขึ้นทีหลังเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิ งันเราเป็นฆราวาสเนี่ยเราจะไปใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้บางคนฆราวาสบางคนมีของเก่ามากทำสมาธิมาแต่ชาติบางก่อนะไเนี่ยเขาทำได้แต่ว่ามันมีน้อยยิ่งกว่าน้อยอีกนะส่วนใหญ่มันก็คนอย่างพวกเราคนธรรมดานี่เองงั้นถ้าเรารู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเราก็จะสามารถปฏิบัติไปได้ หลวงพุ ด, ดุลยเคยบอกหลวงพ่อไว้นะว่าถ้าไม่ได้บอกหลวงพ่อท่านบอกกับพวกพระที่อยู่กับท่านแลพระมาบอกหลวงพ่ออีกจริงท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองว่าอย่างนี้การดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเนีนะ่ครูบาอาจารย์ยานทัศนะท่านยาวไกลนะถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อนะเราไม่มีฤทธิดเดชอย่างครูบาอาจารย์แต่เราวิเคราะห์จากสถานการณ์ ได้ข้อมูลที่ตรงกันได้คำตอบที่ตรงกันการปฏิบัติเนี่ยในการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองทำไมการดูจิตมันจะรุ่งเรืองในเมืองมันทำไมไม่รุ่งเรืองในป่านะเพราะการดูจิตดูใจเป็นกรรมฐานของพวกมิปัสสนาญาณิกคือคนที่เดินมิปัสสนาเลยส่วนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ย เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับสมถะยานิกคือคนเล่นฌานถ้าเข้าฌานสักก่อนนะแล้วมาดูกายมาดูเวทนาอย่างเนี้ยจะคล่องแคล่วนะแต่ว่าพวกเราเข้าฌานไม่ได้กรรมฐานที่เหมาะกับคนเข้าฌานไม่ได้นะคือจิตานุปัสสนาะการธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาทำง่ายธรรมานุปัสสนาทำยากแต่ว่าพวกเราไม่ต้องห่วง ไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะจะเริ่มจากกายหรือจากเวทนาหรือเริ่มจากจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าไปรู้แจ้งนะเข้าไปเจริญธรรมานุภาสนาอัตโนมัติเพราะท่านสุดท้ายมันจะเป็นการเห็นอริยสัจนะเห็นแจ้งในอริยสัจยังไงก็ต้องเข้ามาตรงนี้ถ้ายังไม่เห็นแจ้งอริยสัจยังเวียนว่ายไตเกิดอีกเนั่นอริยสัจนั่นเป็นหัวใจสำคัญเลของพระพุทธศาสนาเวลาผู้เจ้าตรัสรู้เนี่ย ท่านแสดงธรรมจักรสอนธรรม ะ, ะสอนสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุสอนเหตุสอนผลแล้วก็ถ้าละเอียดเข้าไปนะเหตุฝ่ายโลกฝ่ายความเกิดมัก็คือตันหาผลก็คือทุกผลของความปรุงแต่งความเกิดน ะ, นะเหตุในทางวิวัตตะคือมะมัตนะผลก็คือตัวอริยผลมีเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเหตุเรื่องผล อริยสัจเลยครอบคลุมธรรมะทั้งฝ่ายโลกิยะทั้งฝ่ายโลกุตระนะครอบคลุมนี่เราวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจอริยสัจด้วยตัวของเราเองอย่างแต่เดิมหลวงพ่อก็เข้าใจว่าเข้าใจอริยสัจตั้งแต่เด็กแล้วเพราะอ่านหนังสืออ่านเรื่องอริยสัจเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะพลาดพาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รากเป็นทุกข์ปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ แ ม, แ, มแม้ความโศกความร่ําไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์คิดว่ารู้ทุกข์จริงๆยังไม่รู้หรอกเดีอยวสัว่าหบดสุดท้ายท่านสรุปเนสังคีเตนะปัญจุปาทานะันธาทุกข์ขาโดยสรุปเนี่ยปุปาทานกันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คือตัวรูปนามเป็นทุกข์เราไม่เห็นแต่เราไม่รู้ น, นั้นกว่าเราจะเข้าใจเรื่องอริยสัจนะเราต้องค่อยๆภาวนาค่อยๆรูปคลําไป ตามทิศทางที่พระพุทธเจ้าสอน